สัญญาสัญญาที่เราเคยมั่นรักเราที่เคยผูกพันอาจมีวันพันแปรเปลี่ยนไปที่ยังรักเจ้ามีนอ แสนไกลหัวใจพี่ต้องตรมเศร้าต้องนอนสุขความปวดร้าวอยู่กับเงาของเจ้าเท่านั้น อยากให้มาใกล้ชิดทุกวันเกี่ยวรวงกันบ้านนามันเหงาที่จากพี่ไปไม่เคยเปลี่ยนใจลืมความรักเราแค่เพียงกระซิบเบาๆว่ายังรักดังเดิมมาทวงสัญญาบ้านานานี้ มา ทุกวันเกี่ยวรวงกันบ้านนามันเงาที่จากพี่ไปไม่เคยเปลี่ยนใจลืมความรักเราแค่เพียงกระซิบเบาๆว่ายังรักดังเดิมมาทวงสัญญาบ้านนานี้ยังรอเจ้าให้ความ เป็นดังเงาติดตามเจ้าไปกลับมาหาพี่เพราะรักพี่ล้นดวงใจถึงไกลน้องสักเท่าไรแต่ดวงใจพี่ไกลกับเธอ